ขอเรียนเชิญทนานสาวธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสดับการเทศนาประยุกแลกในนิถานธรรมะเรื่องไร้พานขึ้นศีลโดยพระอาจารย์มหาพิามพาธรรมทินโนแสดงนาทีของพระสรพูตเถระพระธาิการบรรเจิดสัมตชิตโตแสดงนาทีของนายพานและพระครูกิติสารุภาแสดงนาที่ารรญาของนายพาน เบื้องแรกนี้เป็นนาทีของรพระสารูตเถระขอเรียนเชิญทรนสาวุชนพุทธบริสัตย์ทงหลายตั้งใจสดับน ก, กาบัดนี้เทินนาโมตัสสะภะคะวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธสธนาโมตัสสะภะคะวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธส นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะเอวัมเมสุตังเอกังสเมยังภะคะวะราชกใหวิหรติเวรวนีกลันธกะมิวาเปตินะโผปนะสมัยนาเอกกสระบุตเถรุนามะ เอกสมิมิครทะมูเลเอวสติติอกบัดนี้อาตมภาพจะรับหน้าที่แทนรพระสรภูตะเถระสืบต่อไปดังใจความว่าเอกังสมยังสมัยหนึ่งสมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ในพระเวรุวันมหาวิหารอันพระเจ้าพิงพิสารสั่งถวายใกล้เมืองราชพฤก์ครั้งนั้นเอโพเทโรยังมีพระเถระรูปหนึ่งสรภูตโตนามชื่อว่าสรภูตะเถระมีความยินดีในที่วิเวกราวป่า ยึงถวายอภิวัต น, นาทูลลาพระาศาสดาไปอยู่ในราวป่าใกล้บ้านประจันตคามพระผู้เป็นเจ้าก็เข้าไปอาศัยอยู่ใต้ต้นใสจเจริญสมณธรรมตามสบายนะักกาละครั้งนั้นแหลแตัทากาลีในกาละครั้งนั้นยังมีนายพรานคนหนึ่งเป็นคนอนาถา ข้าแต่เนื้อเบื่อแต่ปลามาขายเลี้ยงบุร ธ, ธัญยาเป็นนิจการอธเทกที่ว่าสังครังอยู่มาวันหนึ่งนั้นนายพรานก็ได้ถือเอาสัตตราอาวุธเครื่องประหารออกจากบ้านขมนาการเที่ยวไปในราวป่าครั้นไปถึงต้นไสใหญ่สาขาจึงลีลาเข้าสู่ต้นไซนั้น ได้พบเห็นกับพระเถระผู้งามของใสก็มีใจอันชื่นบานจึงวางเสียซึ่งเครื่องประหารคลานเข้าไปหาพระเถรเจา้ากราบถวายนมำส ก, การแลว้วก็นั่งในที่อันสมควรแล้วจึงมีวาจาถามไถ่ขึ้นไปว่าอันเป็นนางยติตนไหมเนี่นผักคือผนสาผืนลือบน้อเนาะเนี่ย โ, โอ้นน เว่าจังว่านี่ผู้ถามนีบ่อนทัานเห็นพระจะเคลือติก็บอกเคยได้เห็นแต่วันนี้จะสาลือเราก็เลืยสงสัยเราแม่นพระแท้พระอีหลีบอนังือจําเสียอ๋อยินแต่เขาสาเขาลือว่าพระพระแม่นเป็นพระอิริบวัตีการันแ์เรสงสัยเอาแมนตัวพระอิรีนันลาพระอหลีพระแท้แท้ว่าตีคักคักนี่ละ โอแนวบ่เคยได้เห็นหน้าน<ะ>เห็นตาพระจับเถืาเบิ้งโอศัสคันมาถามมาเห็นจต็มสี่อยากถามส่อเรื่องเล่าเน่สิใดบอ่อยากว้าอยากคุยน้นาง่าบ่เป็นอย่างตัวพระบ่บได้รังเกียบเดียดชันผู้ใดดอกเป็นมิตรกับผู้คนตัวไปถามโลสอโลแต่ว่าเวกับพระถามพระสิคือกันกับว่าวกับคนบ่บุหระบอกเันพระบ่เป็นคนก็ะไรโอ้ยกระหักแนมโอ้แต่ว่ามันกัง คนระยานหน่าโอ้วากับพระพนี่สิคือว่าวกบค้นทัวไป ว, ว่าวันตีก็นานะกาว่าวากันก่ค้นทัวไปนั่นและแต่ว่าจะกตางแนจะทำ ข, ขุนตนจะคำลุงททยนะตางว่าจันใดไง ข, ขุนตนธรร ม, มาดาบันเข้าถามกันว่าจันใดบ่ละโอ้ยมักกัิญากนะเห็นไปเห็นมากต่อ่อนใสหล่นเลยนี่นอ อกรมาตะซาอยอันจีไปซา ย, อ, ยอันมานองอ่ามอันจีไปง้ายถัดถามไปรวดเวย้ยถามกันสิเนี่ยถามพระสิว่าให้กันแต่ว่าให้เอาคำว่านิมนต์ขึ้นทั้งนาเห<อ>นิมนต์จไปซายอนิมนต์มากตะซายนิมนต์ฉันเขาตี อ, อันนิมนต์ขุกขมกรนต้นออนองขอมุมนโค้งไทยจุฬาตามโงไทยห้มามตอบหลับนั่น รับไปหลา ย, ยางสิว่าครับก็ได้สิว่าขอรับก็ได้สิว่ากระผมก็ได้สิว่าขน่อยก็ได้เชื่อคู่ขาก็ได้สิวา่ า, ดวาโดยก็ได้โอ้ได้หลายอย่างแต่หลายอย่างเหลือครับเราเราเอื้นพระไหนคะเนี่ยเอื้นพระมันก็เอื้นตามไว้ายของคนคนเท่าหไาแต่หลวงปู่ ทำไลายจำหนึงกับหลวงพ่อหลวงหน้าหลวงลูงหลวงพีหลวงอาไปสัมภาระไหวมีแต่หลวงขรกวอนตัวนี้เออโดยมากกัหลวงนั่นหละพระหลวงเล่านี้แต่ขํามกลางกาศเช่นพระอาจารย์คู้บากระคุณเจ้าเราเนี่โอ้โหได้หลายอย่างเลยขาน้ออย่างก็กระสิถามรลวงเราไว้ขงฮู้จัดเราให้เลยถามซะถามว่าทังนใดก็ถามเลยแต่ว่าขันทามว่าถือขามท่วงแน่ล มันงบมดาล่ะเอาสิบอกแล้วแหมมาเปลี่ยนสั้นๆจังสีง้ออบทาไใบสั้ดอกผกบวอย่างด้าเป็นอย่างดอกถามรูดต้องสันต้องสายอันนมน่นขนกอนอะอันนี้มนล่ะเฮ้อนนี้ม่าผู้ขาดสิไปจำได้มามจำได้นาะันนี้อมาถามให้ตอบยากเนะเอ้าถามสั้นๆหนึ่งมาสิตอบยะ ันถามว่าจังสันันบอกจะคําตอบดอกันสิถามพระเขาผู้ขาไปน้าหลังกันเอาผู้ขาไ้เคิงมันถามเจ้าของเนี่ยโอ้ยเกว่าสีบสันนันก็สันจังสีละเนาะทอดผักกันได้จังสันตั้งใจดีดนิมนต์ละคุณพ่อเนาะเออนิมนต์นะอันนิมนต์ นิมนต์ไปจังไหรมาจังไดร่นอผู้ขาถือโบ น, น, น, น้อผัอือนินอันลเอันอันอันสูวนมาโบเห็นหูกระผ ม, ามานี่เที่ยวมาซู้มือใส่กวงความเย็นเราคือจังโบคเคยได้เห็นหนา้ากระพุ่นเจ้ามาจักเถืาอันนิมนต์ไข่บอกแก้นเนินมาแท่แกใส่หันอันผู้ขาขาน้อยกระผมขารับโดยมาบอกจังสี่นอหันน้นง มันมันผิดอีกทีเดีเนี่ยบัว เ, เขื่ยบัวเขื่ยคัะบัเคยเนี่ยเรามันกำว่าผิดแต่มันนั่นคือหลายโทษเมันเป็นได้ยังไงจังหจังสรรค ที่ให้เอามาหนังโบแมนว่าให้เอามาหลายตันนี่ข้ามล้ง่ายเลือกเอาค้ามไหนข้าหนึง่ง<ม>สีว่าขับไปตะขับสีว่าโดยไปตะโดยเนี่ยคืเอเข้าเอิ้อนกันจนเขานี่แมอันคือมองใด้ี่เอื้นกันจนเขานี่เอาใงพระเขานั่นกับสิมีอาหารหลายอย่างนี่ตุ่มนีม่ลาบนี่แกงมีอ่ออมเนี่ยบะโอ้แตมีหัวที่เอาคนเดี่ว ่ันสีเอื้อนมาเดื้อกินตุ่มมาเดื้อกินหลักมาเดื้อกินแขงมาเดื้อกินออมสมัสิหลายมาเดื้อแทนเป็นบ่เอ๋ก็บ่ไดเอื้นหลายมาดื้อปนันเอื้อนซ้ำเลสิพอดีพ่องาเคยเห็นกันเอื้อนไส่ลยเลยเว้ยเนาะมาดูจินเขากขร่วมไป็มดผ้าแทนเนี่ยแทนเป็นบ่ก็กเมีนอันนี้คือการสิว่าขับก็ตะขับสิว่าผมก็ตะผมสิว่าโดยก็ตะโดยแย่ห้อยแย่หอดมาหลายป็นนี้เลือเขากกระยาดนั้นพิษตีนี่และเนาะเฮ้อ อยากเห็นมันญยากหักอยากแน่เออ เ, ออเออแปลว่าได้ถามส ถ, ถองหาาันเอาอ๋ออตมานิมาจากคูนเมือไงไนลาศคือจากวิหารเวรุวันบอลพระโคเนาอย่างเดียวนี้วังทุลุงดันเพิงเดินเดี่ยวดันดุ้งมุ่งแตะข้อ ม, เมีเวคอประสงค์พอ่อบอลสบายจึงได้เดินย่างง่ายหาบอลมั่นสงบมากประสบไส่งามชิดว่าพ่ออาศัยสน รูขมูลใส่ตุนสถานควนถึกส่วนปาสกาชิ่งรบกวนคิดว่าพ่ออยู่ใดอาศัยส่วนหอมเงาสนอกอันพอออกเด้อฮะเนี่ยไปจังใดมาจังใดคือจังไายถุงเปย์ทะนุใสหอยบาจัดว่ามียจะผ่าสิ่งแหวเ่เชองประหารสิไปจังใดมาจังใดฮะเนี่ยพ่อหุ่นหนุ่มยางแค่โอ้ยว่ไปว่มาว่มาว่ไปถานกันวิ่งดีเป็นยังไปเอื้นใส่ผู้อื่นดน เอื่นไส้พูเอื่นจังได่ะอเอื่นพอออกขอออกแล้วมันไถยางมากไม่ดูนอ้าวกรบอไม่พูยางมากแล้วเอืนใส้เจ้านย่แล้วสีเอื่นใส้ทุกขาจังไหคือว่าพอออกโอ้ยปูบ่หูจะมนบ่หูจักยังจักแนวนาะก็หูจังไดร่พอขาซื้อเจ้าอะทุกขาบ่เอื้อซืพอออกไมดูเนี่งมันเป็นเต็มี่สี่หอซู้ฟั่ง พาข้างหลายเอื้นพ้นผู้ไส้มาพอออกเสน่หอันผู้ไส้ไหนก็ได้ผ да ู้ไส้ไหนก็พอออกมื่อผู้ไส้ไงก็พอออกไงผู้ไส้หน่อยก็พอออกหน่อยบาโอ้เขินจันทร์ขันว่าตามภาษาเต็มๆทั้งศาสนาเนี่ยคือว่าอุบาสก อุบาสกขันมันงงเง่าปวดคนเนี้ยเตือนขันสันว่าประศึกเห็นประศึกสีประศึกสาประศึกนี่ประศึะกมากไปสกัปสกตัวอู้ฮู้นเตือนนี้ยออกเตือนผู้ยิ่งเถอะสีว่าไม่ออกแไม่ออกอานเฮอไม่ออกผู้ยิ่งแต่ว่าขันรอตามทัพทั้งศาสนาเนี่ยเป็นสีาราอุบาสิกาขันราอุบาสิกานี่มันเงา่าปวดคนสิทัดออกไต่เหลือแต่สีกาเห่นสีกาหนี้สีกาม้าสีกาพรอนสีกาอ่อน ก็เคได้ยินเหลือีกาอ่อนมาคือดังกระเรากระเรื่ออันซีกาอ่อนลูกคนนีสอนบ้านัดบ้านฟาทุ่งมันต้นนี้นอกเลยแก่นอกจต่ป่านไหนลราจะดูผู้ใดละผู้คุจักละอุ๊ยพ่อละข้อพ่อออกในกาแสดงว่าถามผู้ข่ามําเจ้าละอุ้ยคาว่าจังสั้นผู้ข่าหากเป็นคนจนให้อนาถาอึดอยากคราปอ้ยหาแต่ปลาแต่เนื้อพ่อได้เลี้ยงลูกเนี้อสันดกข้าหน่อยมาลาเนื้อเบื่อป่ายิ like ่มซาดไม่ม e ีข้าน่อยเป็นไรท่า โดยขาหน่อยแม่นายผานค่ะมาลายี่นี่สุมสมหมื่นจ้ละกามาสมูเพราะว่าเป็นอาชีพแล้วขาหน่อยเป็นนายผานมากระโดนปนไรเป็นมาตรโดนนกากกตะโดนว่าข้าเนนพว่าเป็ียนนําคอมาน้าคอคอข้าเป็่นหัวเป็นนายผ่าโดยขาหน่อย กยนหลูกเป็นแน่พาดเนาะพอเป็นไก่ตีหลุป็นไ ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก่ตีเนาะกาแมอนยะหน่อยเอ่ันทีว้าพื้นท่าหลังเนี่ยบ่ว่าจำแ่พอได้เป็นนพาดกู้ใดกู้กู้เขาขาดกัเป็นแน่พาดก็ขาดเลพอของพอโดยขะหน่อย ปูเนี่ยจเป็นพลาดบ่แมนเป็นต้ปูสั่งเนยข้าน้อยหาเป็นอีกก็ปูของพอผู้ขาเพื่อนกับเป็นพลาดโอ้เป็นมาโดนถักตวะบ่แมนเป็นต้ปูของพอกับปูของปูแล้วก็ของปูของปูเพื่อนเป็นพลานเนิดก็ปูขาโอ้เป็นมาตะะดนักนอกข้าน้อยตะโกนตะเหงาตะเ่าะเกาคนโอ้ยเล่นกำเฮ้ยกำเว่นเลยสมาพากันสา กำท่อเวีนบลิกบล่าวเนาะไตต่อนอเนือมาถึงตาปูตาปูมาหอดูหอดหลานย่า้ากันสั่งกำท่องเวียนบลิกบล่าวเนาเอ้ยอันไพลาสั่งกำสั่งเวีนต่อไตกันมาละคาร์นอาเนี้ยกระิบเปนซุ้พวกเจ้านีตัวถึงต่ปูตาปูปูของปูกันยังไงเป็นไงผ่านมาเป็หอดูหอดหลานหอดเลยหอดล้นหอดหลอนย่งผ้ากันเป็นไงผ่านสั่งกำท่องเวน สร้างบาปยิ่งวเลือกวเลวหาข่มสุขบนข่มทุกข์ของผู้อื่นมากโดยตอลอดตัวผู้เจริญเนาะอันผู้อื่นผู้อื่นใดจะมาจังสรรคเนี่ยพวกจากผู้อื่นหรื ừ, อผวกเจ้ามาหล่าหลังสินเสมอนี่หาข่มสุขบนข่น ม, นมทุกข์ผู้อื่นใช่หาข่มสุขบนข่มทุกข์ของผู้อื่นในขณะที่ผู้อื่นมีข่มทุกข์ข่มละทมผัดผากจากการโศกเศร้าเสียใจผวกเจ้าครับ มีแนวยูแนวกินครับบีดาปาหมวกกับอิมทอดกับพี่ความสุขสำลา้านการบริโภคสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ถือว่าพวกเจ้าหนีหาความสุขบนความถุก ข, ของผู้อื่นไม่เดียวเอ๊เหม็ดบ้านเมดเนี่ยกับว่าได้ว่าว่านทุกงอนพวกผู้ข่าจะพ้นเดียวราานอย คอยว่ได้หมายถึงผู้อื่นแนวนั้น่อยหมายถึงว่าเจ้ามาล่าชีวิตของผู้เหแน่ในป่านี้เอาหลายอย่างหลายแน่วนะคือว่าเกินข้างนึ่งนี่ยควางฟ้านไกล้หมูหมีชะนี้บางลาตะพ่อสีได้เอาแท้าสู้โตหลายอย่างหลายแนว่วหัดกลับก่อนอาสู้แน่วว่าตาได้มัดว่าตาเห็นนั่นล่ะผู้อื่นถึงคอยเบาสู้เจ้าฟังนี่นะเอาเอาเอาันนั้นมันมูสัตว์ตัวเหมนพวกค่ะเจ้าเป็นอย่างนันเจ้าพวกมันสัตว์ติ อู้ก็เป็นคนชาวบา้านชาวเมืองเป็นได้พาดอยู่เว้ยครนาะโอ้ยคนเออจะมันฉลาดเกืนซื่อเจ้าของเนาะแม่มากระเมีนเอาใไปซีว้าสู้เจ้าฟังโดยตรงไม่เป็นเช<า>่ไ<ห>นไรสืคือความจริงมันเป็นจรงสี่สัตว์ในโลกนี้หรือสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยในโลกนี้เพิ่มเอื่นว่าสัตว์เนอสุนแนวแหละสัตว์โลกหรือสัตว์หวมโลกคนนี่ยจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งง่วงควายมูม้าเป็ดไก่ก็จเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง แัตแต่ละชนิดนี่มีความคิดว่าแตกต่างกันบางพวกกัอยู่ในน้ำนอกบางออพวกกัอยู่บนบกนเป็นจงไดนไรต่ตาง ม, มีความรู้สึกมือคิด อ, อยากมีแต่ความสุขบ่อยากมีความทุกข์ให้คิดเบิงจ้าสี่เจ้าม า, าล่าเนื้อเบือป่าหรือเจ้ามายิ่งสัตว์มันยืนหรเจ้ายิ่งขัดขัดเจ้าเถ้าเบา เอาตที่มันเผอมันก็หักยืนยุ่นน่ะพู้คาะแต่ว่าตมันที่ว่เผื่อตัวเทมันเห็นข้น่อยมันกำมําุ่นเลวเว้ยผู้ชาไม่ยังหลัม่เอาก็แลนใจเลยเว้ยขาน่มันไปยังจังแลนกามันย่านพู้ค่ะมันย่านไต่หน่อย่านเจ็บย่านปวดย่านตาเนี่ยมันคือมีเงี้ยที่มันมันมันห้องอ่ะนก็ห้องเว้ยขาหน่อยห้องเจ็บปวดพูกกี่พวกกเ้ยสํารับปอย่างไร เราจังเสียไปถามเจ้าตอแดงถามว่าอะไรสิเจ้ามีเมียหรือยังนี่ได้ห่อนลูกคนแล้วข่ะน่อยโอ้ลูกก็มีแล้วข้าน่อยสมมุตวิวาจังสี่เดี่ยหนสมมุตวิวามีผูใ้ใดผู้หนึ่งมายิ่งลูกยิ่งเมียเจ้าหรือยิ่งเจ้าบาดเจ็บห้องหู้ตอหนาเจ้าเจ้าสีวาจังไหน โอ้ยโอยามาสมมติไก่ป่านนี้ขนาดอันอันอันสมมุติเข่าเสี้ยงสีซะต่อไปไข่พวกหัวจ๊คเข่าเสี้ยงสีเอาเจ้าไม่เจ้าเขาไข่อยู่นี่สองคนสมมุติเจ้าเจ้าสีวายยังไงฮะมีภูมายิ่งมีคนมายิ่งลูกยิ่งเงี้ยตายเออตายตัวหนาหรือบาดเจ็บก็แล้วแต่ละเจ้าสิ มีความฉิตว่าจังไหนวิสิวาจังไหนว่ามือบ่ว่าตามมายิ่งบ่ว่าทํากเจ็บบ่ว่าทำแกตายข้น้อยโอ๊ยปมันมาว่ามาด่าสุดๆกะเชียยได้คนมาสสังโบกข้าน้อยก็อยากให้เจ็บว่อยากให้ปวดว่อยากให้พัดภาคจากกันแมนบอคนฮักคนห่วงกันอะไรกันว่าอยากพัดภาคว่าอยากเจ็บอยากปวดว่าอยากตาย่ะสรุปแล้วขน้อยเจ้าสมศริดคือสัตว์สุมนั่นแพศสัตว์เนี่ยโอ๊ยหาบอกน้องคุณเจ้ากระได้คือควยสิอยากเจ็บอยากปวดมันกระชิดยัว่า่อเออ ค่อยคุมฉีดของสัตว์ในโลกนี่โบาวานั้นกับตามนี่คว้มฉิดก็แตกต่างกันดอกแล้วฉีดคือจังเจ้าเจ้าเอาใจเจ้าไปใส่ใจเขาแด้เอาใจเขามาใส่ใจเจ้าแนะ่เพราะว่าสัตว์ในโลกนี่กินอาหารเป็นสืบพันเป็นยานตายเป็นสู่ย่างสู่ย่างแหละแต่ว่าบอกต่ า, างคนละภาษาบอกภาษาไทยภาษามัณฑุสีดอ พวกหมูหมาเป็ดไก่งูป้ายเขากรอบภาษาของเขาเนอะขนนกนูกูปีดต่างๆเขากรอบภาษาของเขาเกษตรงานดูเออที่นี่คนเข้ากับว่าภาษาค้นนี่แหละแม่แต่ค้นคือกันแต่ยังว่ากันค้นละภาษาแชร์กับว่าภาษาหนึ่งฝารางกับว่าภาษานึงเขมรก็บว่าภาษานึงแก้วกัภาษาหนึ่งไทยกับว่าภาษาหนึ่งแม่แต่ไทยคือกัน ไถลมไถเลยก็บอกไปจังหนึ่งไถคอนเจนลลทั้คหมไใช้ยาปุ๋มก็ไปจังหนึ่งเลยทะเบียนรู้ตอย่างัู่้หมองเนอนเพราะฉะนั้นพวมคิดนี่ พ, พแตกตา่างกันพอเอาว่าสิทเทศเน่าๆซูฟังจากน้อยอันสีเห็นหนังก่อนสิทเทศย่านเจ้าพรเขาใจอันเทศเทพมันเป็นอย่างลักกาบางอย่างเลยบอกจกขอดเทศอันนี้ห เทศอยู่คือแสดงเหตุและผลที่ถูกต้องสู้กันฟั่งเทศมีสองแนวนุงเทศสันสองเทศเงาวว่านึงหันพระประเทศสันสู้เจ้าฟั่งนานายายาญเจ้าว่เขาใจค่ากระีสิเทศเงาเงเพื่อให้เจ้าและผู้ฟั่งบางผู้ที่เคนฟั่งเงาเงาคนชอบแงาหนี้คนจะเข้าใจได้โอ้สิเทศเงาเงาใหฟั่งหเออ โอ้ยเทียงก็บ่คยได้ยินจัเทียเทียงากหนบ่เคยได้ยินครับโอ้ยอยากฟังัะ้างกันเทศยากหาลเทศบานเนีเอาเทโอนมนยเนี่ยือๆอันนีนมพวกข้านเอานีมุเทียงายฟังอเอาเอานมนขบาเอาอมขอบามเทียง่ายบานี่นเลยลานเนี่ยกทันฟังเอามนมมนพวกขาานนมมตัส เสวาสัตว์สามสียงแก่หนุ่เป็นแลเทสนาเมื่อนานมาเทาาาละเจอนสารผู้เหตุสมเพศสัตว์ซเสื่อสืกพูเกื้อหอมใดเล่นลว่มทัวมุขขวางโลกแต่ เป็นเรื่องธรรมาดาชีวิตโคนคือผู้ชันทั่วเทียวต้องพยายามฟังเมียงเมียงมุมยู่ขั้นตอนลาโลกสิพาคำใส่ซองแจงทั้งลาโลกคนคำนึกละเคลื่อนคอยแมเมื่อลังเสีย คือนั่นเส้นสนเสียสองอันนีสั่นได้ด้วยแต่ดอมเขาเจ้าทาหนับเท่ามือสียสาวว่าใส่แจงดังเดือนเชื้อเวียดเขาเป็นดังนามั่นเท่ๆกลุ้งซ้ายล่างเสียคือมังสั่งนั่นหมูกาเลี้ยน ล้างเท้อคือโูดขากางส่วนสุนยอดล้างเท้อคือดังหั่นหมอบย่อยดอกเงีงขคางยอดต้อนพูเราคือพื้นผ่านเชื้อต่ำต่ำภาษา้างฝูงเย้าไปหอมส่วนสิลุงไรแล ข้าองเื่อนคนขื่นวับพอคือห น, นับแต่มือสี่อยบอกคอยขนดันลงลังแม่จะชิเจตมมังมนมาณข้องตัววังครื่องชิดดอกเื่อนขายหลายเรื่องมันอนิจงแก่ทรมานาคำจะกว่าหือำนี้สงสาบบรพ่าพอ Nah. ชีวิตกัดนั่นเลือดร่อนผ่าหันเบียดเบียนกันเมืองสวรรค์ไม่เห็นพบก็เทวินบอกมีเหล้วจัางย่มผ่านนี่แล้วแสดงฝันห่างดวงสัตว์ทัางกว่างเขาจะมีลูกเต่าหั่นฟุ่มฟางเพื่อนาย ได้เราควาย้ากันนีแสนสุขเียคือคนบัดภาคค้ยลาลังหนีกันไปคนข้างจีดใจมั่งพยาบาคควา ม, มาคา่าคูบไว้อยู่ในอันส อ, าอ้างใบ วิทยอมาลีเบียนสนองตอบคุณนรำเอื่อนว่ากรรมน้ำสนอง บ, อบ่ออาบซวกสัมายได้ฉันจึงขอเอือนไว้โยมเศราธรรมบาศฤลเลิกเที่ยวเผไหลเลือดเจ้าไไวันนี้อยากจะทำ จังสิสําล้านสาให้เดินทางเสียนไม่ให้ทําเถือเอาใจสาละายึดมันเสียนสั่นห่างประการนะคือขอหนึ่มให้เจ้าสงสารหาสสาทุกประเทศจะเบียดเบียนเช่นขางกูนะด้วยสวยถนอม ขอที่สองความพ่อไม่ทําอยู่ทําจินเองหนึ่งยาสิเป็นขโมยรักนันสิ่งของเขาฮามขอสามสามว่าไว่ประเวณีจะเกิดลวงลูกเมียเพินเพินกะหวงังยาสิไปแก่ยวุงกำสิตู้ตอบสนอง ข้อสีนั้นย่าเตัวพี่น้อง่าลวงหลอกไฝไให้เจ้าว่าจะใครอังสืตรงญาลวงลินขออนั้น่าเสกินยังเหล่าข้อเมืเ่อเรา่าสินพวกกันชาเฮลุออ่นของเสพติดก็ให้เพื่อม่ามุนกระจว ตอนนี้ฉันที่สารุกบวัว่าไปรักษาศีลอยอมสิไปถึงสูกสู่สวรรค์เมืองฟ้าส ม, มัดมาถึงพวามบ่เอื้จนเขี้ยวคอทอดเนื้อผ่านผ่านผัวนเพราะศีนต้นนาประการ ฉันเลยบอกแกท่านผ่านฟ้าผู้สนใจถ้ายากใก้ความทุกข์ไ้ควายถามนังฉันตาขอพรผ้ า, าผู้ใจกว้างล้อพิจารให้ขัดแม่เชื่อเทืทอ ง, งน้องบนงเอ สรุปความตามที่พระคุณเจ้าเทศนก์การแสดงว่าจะให้ผู้ขาเนี่ยเลิกละอาชีพหนีหนีไปทําอาชีพไหมเออเพราวาอาชีพเจ้ายมันสั่งค่วมหรือรอ น, นอี่กูอ่นนอกจากนั้นพระพุเจ้ายังแนะนำให้ผู้ขานี่ไปถือเอาไตสารณะทบมาที่ขนาใใช่ อันไตสารณคมอันว่าไตรไตนะมันเนียนอย่างหลักขับานไตรนี่แปลว่าสามสามอย่างหละกผขาสามพระอย่างแน่ข น, นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ละพร ะ, พ ค, ะนนคืออย่างห้าในขันอยมาสอนก็าโอกระับหูบอกเคยเห็นเลยละสีวอยยอสูฟังระพนี่ได้แก่องคุณเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผููเป็นเจ้าของศาสนา แต่แกองค์พระศิษฐาลาศากุมารสินสาราชบัรลั่ ง, งออกสรงผนวตบวัดศึกษาหาค้อมูนทุกในที่สุดผลก็เลยฮู้เมื่อคนไปคนว่าผลก็เลยฮู้ฮู้ไอ้ยังราคาหน่อยฮู้ว่านี่คือตัวของทุกนี่คือเหตุเกิดแห่งทุกนี่คือ ค, อความดับทุกและนี่คือโอนทางปีสิไปถึงความดับทุก เพิ่นหูจังสี่บานเฮาเอินตับสะหูหรือตับสะรูที่นี่เพิ่นรู้ตัวตนเองจังบ่มีผู้ไหนได้สอนเพิ่นจังได้เอิ้นสื่อเพิ่นวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือวาพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนาเนี่ยพราพูดพระธรรมเลยแจกคำสั่งสอนของเพิ่นคำสั่งสอนจังไดคหน่อยคือเพิ่นหูแล้วเพิ่นบ่อ่ำไวเพิ่นจึงออกทึ่งสั่งทึ่งสอนคำสั่งแต่เช่นจังวา เพิ่นบ่อยากให้เหตุแนวนั่นมันบ่ดีเขีนจะเหตุตั้งสันเด้อตั้งสี่เด้อมันบ่ดีเขียนทั้งคาว่ายาขากันเด้อยาเบียดเบียนกันเด้อยาหลักของกันเด้อยาเด่นสู้สู้เมียสู้ขัวกันเด้อยาต้มยาตัวกันเด้อยากินเหล่ามั่ยาอะไรเด้อเราีกเป็นตูดเป็นคสั่งคำหามกรแม่นน้องคำหกรแม่นคาสอนเนี่สอนเนี่แค่คเหตุน้าเขียนตั้งว่าเหตุตังสี่มันดีังสี่มันดีเขียนคำว่าให พากันเก่งกลัวบาปเดอ้อพากันมีก่กัตัญญูกัตตาวิธีหูคุณหูคุณคนเดอ้อให้มีเมตตาอารีตต่อกันเดอ้อเรานี่เป็นตุนเอื้อนว่าคำสอนร่วมถึงคำสั่งคำสอ น, สอนเอื้อนวาพระธรรมพระสงฆ์เดชให้ในคำพระสงฆ์เดชแก้บุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งเหลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนและในตัวของพระพุทธเจ้าเองแล้วอยากเดินตามรอยของคนอยากปฏิบัติตามจึงได้ออกบวด แผ่แผพวงหนคนคิวคมผาเหลืองคือพวกอัตมาเนี่ยเอื่อนมาผาสงรวมทั้งระพุดผรถ้ำผาสงเอื่อนมาผาไตรการถือผาไตรเป็นทีพึงพาอาศัยเอื่นถึงไตรสรณคมใจบ่นอกอจากนั้นพระพุ้นเจ้ายังเนตนำให้พวกขานถือเอาศีลรับเอาศีลวัตถิคันศีลหาประการจังบ า, มาแม่แหล้าพุ่มพ่อจืดใหด่เนาะโอ้หาประการอันที่วา่ามานนะิดหน่อย โอ้ยอันจังสี่อันทีว่ามาวังหันเนาะอันทีว่ารับได้หรือบอดได้พวกขากาย่ำจังได้จังหนึ่งอยู่เพราะว่ามันได้ยิ้นใหม่ได้ยิ้นปุ๊บกัเสียงหายับปั๊บมันกับจังได้โอ้ยขะลอยเออขะสั้นขะนั่งพิจารณาพูนจะเข้าเลยอือจังสี่เป็นโตนวอื่นว่าคำสั่งนะหรือคำหามตัวคำห้ามขะอะไร ที่นี่คำสอนแต่แกคำสี่หายเห็ดน้ำเขียนจังเพิร์นบอกว่าเห็ดจังสี่มันจังสิดีเห็ดจังสันมันจังสีดีเข่นคำว่าให้มีควอมระลึกไ ด, ด้เด้อห้มีควอมละอายบาปเก่งกลัวตอบาปเด้อให้มีค้อมเพียรเด้อให้มีค้อมอดทนเด้อให้มีค้อมกตัญญูหูบุญหูคุนคนเด้อให้มีเมตตาอาริตอกันเด้อ